การนับเนี่ยเรากําลังคิดอยู่มันอยู่ในความคิดตลอดสิ่งที่พี่สอนคือว่าให้พ้นจากความคิดให้พ้นจากความปรุงแต่งทั้งปวงอันนี้เป็นทางทางของความคิดนี่ไปไหนไม่ได้จะอยู่ในโลกของความคิดตลอดอย่างถ้าสมมุติว่าเราเคี้ยวเนี่ยเราก็รู้ถึงอาการขยับของปากฟังให้ดีนะมันไม่ใช่หมายความว่าเราไปจดจ้องอยู่กับการเคี้ยวนะกับอาการเคี้ยวนะเราไม่จําเป็นนะ เรารู้ทั่วๆวรู้หลวมหลวมรู้สบายสบายเราจะลืมการเคี้ยวก็วได้แต่การลืมการเคี้ยวเราไปบางทีเรามารู้สึกอยู่ที่ก้นเราบางทีเรามาสึกอยู่ที่มือเราที่เอื้อมไปหยิบอันนี้เรารู้สึกถึงขาเราที่ขยับนิดหน่อยอันนี้โอเคเหมือนกันมันไม่เกี่ยวกับว่าเราต้องรู้อยู่ที่ที่เดียวเรารู้ทั่วๆรู้ตามที่จิตมันไปรู้ก็คือรู้สึกตัวอยู่ มันจะรู้ที่ไหนก็ได้เราก็รู้สึกตัวอยู่ที่จะพูดตลอดทุกคลิปเพื่อบอกว่าทางของการปฏิบัติธรรมเนี่ยทางสายเอกเลยก็คือว่าการพ้นไปจากความปรุงแต่งทั้งปวงจะพ้นได้ยังไงต้องรู้สึกตัวแต่รู้สึกตรงไหนตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นตัวแต่ว่าคําว่ารู้สึกตัวเนี่ยถ้าที่จะย่อยห้ลงไปอีกมันก็คือหมายของมว่ารู้สึกถึงอาการของมันเช่น ปาขยับใช่ไหมรู้อาการใช่ไหมอย่างเราพูดอย่างนี้เราก็รู้อาการที่เป็นขยับรู้ใช่ไหมมันเป็นแค่อาการเฉยอย่างที่บอกว่าหลับตาแล้วยกมือขวาขึ้นช้าๆไม่ต้องมองก็รู้ว่ามันเคลื่อนอยู่ใช่ไหมนั่นแหละคืออาการมันคำพูดคําว่ารู้สึกตัวเนี่ยมันหมายถึงว่ารู้ถึงอาการของร่างกายอาการเคลื่อนอาการ movement ของมันมันเป็นอาการอาการนั้นคือปรมัตดอาการนั้นเนี่ไม่มีสมมุติ มันเป็นแค่อาการเรารู้แค่นั้นเรารู้แค่มันเป็นอาการเขาเรียกว่าเรารู้บางสิ่งบางอย่างแต่เราไม่รู้มันคืออะไรอันนี้เรียกว่าอาการเรารู้ปรามาัดเรากำลัลงรู้ปรามัิอยู่แต่การที่เราไปกี่คำเคี้ยวกี่ทีข้าวกี่คำตรงนี้เป็นอะไรตรงนั้นเป็นอะไรนั่นเราอยู่ในความคิดตลอดเลยถึงเราจะเข้าใจก็เป็นการเข้าใจในความมืดที่พี่บอก จิตนี้จะพัฒนาจเจริญขึ้นมาได้เนี่ยไม่ใช่การที่เราไปเห็นกิเลสเยอะๆเห็นความอยากหรือเห็นอะไรเยอะๆไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าทางที่จิตจ ะ, จะเจริญได้ต้องเห็นความเป็นปกติที่มีอยู่แล้วนี้ให้เยอะๆให้บ่อยๆให้มันต่อเนื่องทางนี้เป็นทางจเจริญการที่เราไปเห็นกิเลสเยอะๆเห็นความคิดเยอะๆ เป็นอาการทางจิตเยอะๆเนี่ยเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะจิตนี้มันมีโมหะเยอะการที่ไปตามดูอาการเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้กลับมาที่ต้นตอของจิตนี้เรากําลังไปดูอาการของจิตที่มีโมหะอีกทีหนึ่งแต่การที่พี่บอกว่าจิตจะเจริญได้ต้องเห็นความเป็นปกตินี้อยู่บ่อยๆอยู่อย่างต่อเนื่องให้มันเป็นฐานขึ้นมาเนี่ย ในรที่เราเห็นจิตที่เป็นปกตินี้ในขณะนั้นไม่มีความปรุงแต่งในขณะนั้นจิตกำลังมีสติจิตกำลังมีสมาธิเป็นสติและสมาธิที่เขาเรียกว่าเป็นสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิพอจิตนี้มีสัมมาสติมีสัมมาส ม, มาธิเป็นปกติอยู่เราเห็นบ่อยๆมันจะขยายฐานนี้ออกเป็นฐานของความเป็นปกติฐานที่เป็นปกติอยู่วันนี้ไม่มีกิเลสไม่มีโมหะ แล้วถ้าฐานนี้มันแน่นหนามันมั่นคงอาการของจิตเช่นความอยากหรือว่าความคิดหรือว่ากิเลสต่างๆเนี่ยถามว่ามันจะเยอะขึ้นหรือน้อยลงมันต้องน้อยลงเพราะฉะนั้นการที่เราไปเห็นมันเยอะๆไม่ใช่แปลว่าเราปฏิบัติธรรมดีแต่มันหมายความว่าจิตนี้ยังไม่มีพื้นฐานของความเป็นปกติเลยมีแต่โมหะอย่างเดียวมันถึงมีของออกมาเยอะขนาดนั้น คือเวลาเราเห็นจิตมันทยานไปเนี่ยเราไม่ใช่ไปดึงมันกลับมาการดึงเนี่ยมีเราเข้าไปกระทาบางสิ่งบางอย่างแล้วสมมติว่าเราดึงมันสาเร็จจิตที่มีตัวเราเนี่ยมีอัตตาเนี่ยไปการดึงันกลับมาเนี่ยจิตนี้เองเนี่ยมันจะสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่ในจิตว่าเราจัดการทุกอย่างได้แต่ในความเป็นจรงิงทุกสิ่งเป็นอนัตตาคุมไม่ได้เท่ากับว่าถ้าเราไปดึงมันกลับมาได้ จิตนี<ม>้จะถูกตอกย้ำวิชาทิฏฐิลงไปว่าคุมได้แต่เราไม่ทันรู้เราไม่ได้เป็นรู้จิตมันรู้ <card for it> เพราะฉะนั้นเวลามันไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปดึงมันกลับมาเรารู้ทันว่มามันไปแล้วพอเรารู้ทันเนี่ยมันกลับมาเองถ้าเรามีฐานตัวนี้ที่พี่บอกอู่มันจะกลับมาเองมันจะกลับมารู้รรเนือ้อรู้ตัวนี้เองโดยที่เราไม่มีการดึงไม่มีการอะไรเราแค่รู้เฉยๆว่าอามไปอย่างบอกว่ามันไปแล้วจนมัน เรียกว่าสมมุติว่าสร้างเรื่องแล้วปรุงไประดับหนึ่งแล้วเราค่อยรู้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีฐานในความเป็นปกตินี้แน่นหนาเนี่ยมันแค่ขยับเนี่ยเราก็รู้แล้วว่มามันจะไปทางไปไหนเลยพอเรารู้ปุ๊บ ม, มันก็คล้ายๆมันช็อกแอ๊ดตายตายไปไหนไม่ได้เออคล้ายๆโดนสตารทเออตายเลยไปไหนไม่ได้เนี่ยแบบนี้ทําไมมันเป็นแบบ น, นั้นได้เพราะจิตเนี่ยมีกํำลังที่แท้จริงคือฐานในความเป็นปกติฐานในความ ไม่มีตัวตนเพราะความเป็นปกตินี้มันมีอยู่แล้วมันเหมือนดวงจันทร์ที่มันมีอยู่แล้วแต่เมฆหมอกนี่มันปกคลุมมันไว้เวลาเราไปดูอาการของจิตเนี่ยมันเราไปดูเมฆหมอกเรายังไม่เห็นดวงจันทร์สักทีเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเรามัวแต่ดูเมฆหมอกเมฆหมอกก็ออกมาเรื่อยเื่ใช่ไหมเพราะจิตนี้จะผลิตเมฆหมอกมาให้เราดูเรื่อยเรื่อเราไม่ย้อนกลับเข้ามาถึงดวงจันทร์สักทีหนึ่งใช่ไหม แต่เพิ่มเมื่อไหร่เราย้อนมาถึงดวงจันทร์เมฆหมอกหายไปเราไปดูแต่ของที่ถูกผลิตออกมาอย่างเดียวและเราเพิ่งเป็น า, าปฏิบัติทำอยู่ไม่ใช่แบบนั้นถ้าจิตยังผลิตแต่ของอะไรออกมาได้แปลว่าจิตนี่มีแต่โมหะมันถึงผลิตออกมาได้ทุกคนมีโมหะเยอะหมดแต่ว่าด้วยการที่คนจํานวนมากนี้ไปให้ความสําคัญกับการดูอาการของจิตแต่ไม่ให้ความสําคัญกับการมาดูความเป็นปกติของจิตเนี่ยพอมันให้ความสําคัญผิดที่ มันก็เลยกลายเป็นผิดที่ผิดทางหมดจะเจริญก็เลยจเจริญไม่ได้คนเราเข้าใจผิดคิดว่าเห็นกิเลสบ่อยๆเจริญไม่ใช่แบบนั้นอันนี้เป็นจุดที่ไม่มีใครจะชี้ให้ละเอียดขนาดนี้ว่าเราผิดพลาดกันที่อยู่ที่ตรงไหนตอนนี้ลองนั่งสบายๆมองออกไปไกลๆแล้วลองหายใจเบาๆอันนี้ก็ไม่ต้องไปรู้ลม การหายใจของเราเนี่ยมันหายใจเข้าออกไม่ต้องลึกไม่ต้องยาวไม่ต้องสั่นเอาธรรมชาติพอเราหายใจเข้าหายใจออกบางทีเนี่ยตอนเราหายใจออกเนี่ยมันสุดลมหายใจออกเนี่ยเราไมไ่ต้องการลมหายใจเข้ามันจะมีสภาวะที่มันหยุดอยู่ตอนลมหายใจมันหยุดเนี่ยนะร่างกายเราก็หยุดอยู่เพราะเรานั่งเฉย พอมันหยุดอยู่ตรงนั้นเน่ะจะสัมผัสว่าสภาวะที่ทุกอย่างมันหยุดเนี่ยมันปกติมันราบเรียบมันเงียบข้างหนนุ่มนวลไม่มีความรู้สึกมันอั้นมันกลั้นมันไม่รู้สึกมีอะไรที่มันอึดอัดเลยผ่อนคลายสงบไอ้ความรู้สึกแบบนี้แหละมันเป็นความเป็นปกติและความเป็นปกตินี้ เราไม่ได้สร้างมันขึ้นมามันมีอยู่แล้วเพียงแต่การนั่งเฉยๆสบายๆผ่อนคลายของเราเนี่ยมันเท่ากับเราแหวเกเมฆหมอกของความฟุ้งซ่านของความอึดอัดความสับสนออกไปพอเมฆหมอกมันถูกแหวกออกไปความเป็นปกติมันก็เกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นแบบว่าเราไปทําให้มันเกิด มันมีอยู่แล้วเพียงแต่เราแหวแกเมฆหมอกไปเราก็เห็นมันได้เหมือนพระพุทธ เ, เจ้าจะพูดว่าเราเนี่ยเพียงแค่พลิกของพั่มให้มันงายขึ้นมาเฉยทุกสิ่งก็เปิดออกสิ่งเป็นจริงก็เปิดออก ม, มีแค่นั้นแล้วเราพอมันเปิดออกเราก็จะเห็นของจริงอ๋อมันมีแค่นี้มันง่ายแค่นี้เองเราไม่ได้ไปทําอะไรเลยเพียงแต่เราเปิดขึ้นมาเฉย เพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าต้องไปทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างงโนงงนจริงๆไม่ใช่เราแค่ให้โอกาสที่จะให้ของที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเปิดออกมาพอมันเปิดออกมาเราก็เห็นมันเราก็รู้จักมันสังเกตมันสัมผัสมันในตอนที่เราเริ่มสัมผัสรู้จักมันเนี่ยแรกแรกเราก็ได้แค่ฝึกจากการ ทำในรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการนั่งสบายๆที่พี่บอกอันนี้หรือไม่ก็เดินจงกรมแล้วก็หยุดเพื่อจะสัมผัสมันพอเราทําไปทําไปทําไปบ่อยๆเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยความเป็นปกติเนี่ยที่เราได้รู้จักได้สัมผัสมาแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นฐานมันจะกลายเป็นฐานที่มั่นคงที่มันแข็งแรงที่มันยั่งลากลึกลงไปในจิตในใจเรานี่แหละแล้วต่อไปเนี่ย เราหันกลับมาอะไรเราก็เห็นมันปกติอยู่เราหนันกลับมาอะไรมันก็เห็นมันปกติอยู่ไม่จะอยู่กับเราตลอดชีวิตเพียงแต่ว่าเราเริ่มรู้จักมันจากการที่เราทำในรูปแบบนี mm ้แหละเริ่มรู้จักบางทีละนิดจนในที่สุดเรากับมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันเราก็เป็นหนึ่งเดียวความเป็นปกติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับนิพพานน่ะแหละแค่นั้นเดี๋ยวพอทาบ่อยๆบ่อยๆมันชานาญขึ้นเนี่ย มันจะได้สัมผัสแต่แต่ละคนก็สัมผัสได้ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมขึ้นอยู่กับขณะนั้นจิตเป็นยังไงแต่ทุกคนสัมผัสได้เหมือนกันแต่ความลึกซึ้งไม่เหมือนกันถ้าเราได้เริ่มเราก็มีโอกาสถ้ามีก้าวแรกมันจะต้องมีก้าวต่อไปมันต้องมีก้าวแรกก่อน